สาชาปชาจะไมเไม่ทีว่าตบปฏิกาโบประเทศแมจะทำการบูชาหรือเห็นเพี ย, เ, ยเพื่อเป็นพุกธานุสติจำเรืถึงไอสิ่งที่ท่านเคยได้นนสอนไอ้ธรรมาเกิดขึ้นบันนี้ไอ้ที่หลายคนพักใจว่าธรรมะเกิดขึ้นวันนี้ เป็นเรื่อราวัน จ, จัดทะุขององค์พระพุทธเจ้าการภาษาหลักคำก็เรียกว่าวันที่องค์พระพุทธเจ้าได้บรรลุอนุตตรสัมมาสัมพุทญาตรู้แจ้งเห็นจริ ง, รงถึงโลกที่ปิดบังทันจิตและเรื่องราว ต, าตา่างๆที่ตอนนี้ได้มีการเปิดเผยทุกสิ่งในโลกอถึงได้ มีการนำนึกถึงขึ้นเราชาวพุทธทั้งหลายรู้ว่าสบายนัตหลาดควรจะทำจิตให้หนึนถึงองค์พระผูเดชเจา้าผู้ให้กาธรรมหรือให้เหตุให้คนผูใ้ให้ปรสงค์ให้ในทางเพะฉะนั้นเราจงึงรวมกันมาเพื่อการฟัติธรรม และก็การปฏิบัติธรรมขึ้นโอกาสต่อไปนี้ก็จะให้เริ่มมีปฏิกิริยาของการปฏิบัติธรรมเลยตึ่ให้พระเมนนี่ไม่ฉี่นัทโบาตกปฏิการนั่งพุกเขาใช้พาพันที่หคนแล้วเธออยาหาพระเมนก็นั่งพุกเขา ขีก็นั่งทกข์เขาทุกข์เขาของไม่ชี้ก็คงจะรู้ว่านั่งอีที่ไหนคือไม่ใช่นั่งแบบสระเหน็ดวักวัจวิจาก็วันิจาก็นั่งฝั่งไม่ขี้วันกก็นั่งฝั่งสระวันนี้เป็นวันที่สัรปรัดทั้งหลายทั่วโลกแม้กระทั่งเทวาินทรงก็มีความชื่นชมเยินดีต่อ ก า, ารบรรลุธรขององค์มุตตจารย์คือเป็นวันที่ทุกคนดีใจที่สุดอาที่มีจิตดวงหนึ่งเกิดขึ้นในโลกเหมือนแสงอาทิตย์ที่สามารถจะสอดส่องให้แก่นานาจิตได้รู้แจ้งสิ่ิต่างๆที่ดดเรียกว่าวันที่สัปปะสัต์ทั้งหลายดีใจสัปปะสัต์ทั้งหลายนั้นมีอยู่สองประการคือ อาท่านที่หนึ่งก็คือการเกิดขององค์พุทธเจ้าอาเดิมที่ทีเดียวเลยก็องค์พุจ้าของเรานั้นก็จะเข็ดสีนะาโดยสิิ์สวรรค์ขั้นแรกเราเพ็เปียนมาเป็นอาณานิยมชาติโดยที่เรียกว่ากําหนดไป่ไดในเรื่องการมองเพ็นผ่านสองประการด้วยกัน <c oughs> ซึ่งเราเรียกกันว่า ทางบุญปัจจเสศทางบารมีคือการเจริญจิตสมาธิปัญญาสองประการนี้ก็พระพุทธองค์ได้กระเพื่มาเป็นห น, นึ่งกชาติจนถึงบรรลุในวันนี้แน่ก่อนที่องค์พระสิทธัตถะสมัยสัมพุทธเจ้านั้นได้ตื่นติขึ้นสูงโลกอีกครั้งหนึ่งเทวอินทมทั้งหลายก็ อ, อลัสณา ให้องคพระพุทธเจ้าในสติขนในโดเพื่อจะได้เปิดเผยความเป็นมาเป็นไปของโลกให้แก่ผู้ที่สะสมบรารมีหรือบุญกุศลเข้าไว้ให้รู้แจ้งจริงๆ ก, กันบ้างท่านจึงได้รับอรัญญาและก็ได้สติลงสู่คันของพระสิริมหาญญายหรือพระผู้ประมารดาท่าน พาะสุสโสธนะเป็นพุทธบิดาาที่เมืองตงมกบิัพั์ที่ประเทศอินเดียไม่ประเทศไทยาหลังจากที่ท่านได้จดสิปฏิสนธิขึ้นสู่กันของพระนางสิรีมหามายาแล้วก็กำหนดออกมาสู่วาระาองโลกด้วยความชพื่นชมยินดีของ บันดาพ่อแม่พี่น้องและบุคคลที่ใกล้เคียงพระสุโธธนะก็ได้ชื่อว่าผู้ได้ลูกที่เป็นจั์หรือว่าเป็นผู้บริสุทธิ์สุธิแปลว่าบริสุทธิ์กริคมหามายาเขาหมายถึงลักษณะถ้าพระพุทธเจ้าจะเปิดเผยเรื่องราวของ มายาทั้งหลายที่คุณเราหลงอยู่ในโลกให้ได้รู้จักกันที่ประมาณายาแล้วก็ชื่อพระปิดาวท่านนั้นซ่อนไว้ซึ่งความหมายไม่ใช่ชื่อเหมือนสามัญชนคนธรรดาทั่วไปซึ่งก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เราทุกคนได้ชื่นชมในสิ่งที่เรียกว่าเอกนาฏเุปรุษหนึ่งสามารถเข้าสึงองค์ประบทใหญ คือวันนั้นทุกคนก็ดีใจและก็ะดีใจที่สุดคือวันนี้พร้อมกับวันนี้แหละก็ได้บรรลุขึ่นอนุตตรสัมมาสัมโพสิยานุึ้นณสีมหาโพคประเทศอินเดียสมัยเมื่อสองพันห้าร้อยสาสิบปีที่แล้วสภักของท่านนั่งสมาธิสงบตั้งายนิ่งตั้งจิตนิ่ง ในลักษณะรองรับความเป็นจริงาของอนุรสรณ์สัมมาสัพพิญาณหรือเราเรียกกันว่าลองรัทธองค์ธรรจักที่เกิดขึ้นภายในกายในจิตของท่านสภาพของท่านนั้น อ, อิ่มด้วยความสุขเรียกว่าองค์พอุมทต์ท่านจึงสนองคําว่าพาะอมุต์คือธรํกากฏิปิญญา มนสิ่งที่ท่านสำเร็จขึ้นโดยการนั่งสมาธิอยู่นิ่งๆเฉยไม่ไหวตึงเหมือนกับหินหรือศิลาหินศิลาก็คืออย่างเดียวกันเฉยๆนิ่งๆอยู่เจ็ดวันลำพึงลำพันถึงความสุขของจิตที่เดดลัทึิเขาเรียกว่าความสุขของจิตที่เป็นอิจราเป็นสัตว์เท่ความสุขของจิตที่ผ่านพ้นผ่านว่าสารโลกจั ก, กรวาลไปได้คือมนุษย์จะโลกพรหมโลกเทวโลก และจะตัดลมหากพระเจ้าของเราก็ได้ผ่านคนไปได้ท่านจะมีความสุขใจมีคําหนึ่งที่อยู่ในโลกรรุตระก็คือคำกล่าวที่ท่านบอกว่าสุขอะไรที่ใหญ่ยิ่งสุขความจริงละเว้นอารมณ์และโะทนะครับด้วยจิตตรงไหนไม่มีการละเว้นอารมณ์และตะัวกรรมได้จิตตรงนั้นจะซึ่งซึง่งทำลมแต่และหรือว่าธรรมะ ท, ท่านที่เคยได้ทําไป วันนี้แหละเป็นวันที่เราทุกคนควรจะน้อลมล้ำลึกถึงพระคุณของท่านให้มากๆมันจะเหน็ดจะเหนื่อยจะเมื่อยจะล้าหรือจะปวดปบ้างหรือจะทราบานไปหน่อยก็จงใช้ความขันติอดทนเป็นการกรตัญญูกตเวทีเพื่อการบูชาในพระคุณของท่านที่ให้จิตของเรานี้มีความรู้มีความเข้าใจ มีความเป็นมาเป็นไปให้มีความเข้าใจขึ้นในจิตและในใกายของนเอทางที่ปลอดจากบาปและกรรมหรือตัวกรรมนั้นท่านก็บอกให้เราทราบถึงเรื่องราวของกิริยาห้าประการทางของบุคคลผู้มีบาปหรือมีกรรมมีอันธะมีหน้าที่ที่จะต้องใช้นี่ใช้เวรใช้กรรมหรือบาปกรรม ท, งทังหายนั้นก็คือบุคคลที่ขาดกิริยาละห้าประการเราต้อตงจาเอาไว้ การเคลื่องหมายของพระถวายให้ดีๆเพื่อเราจะได้เปิดบัญชีการกระทำของท่านขึ้นมาให้เป็นไปถ้ารอกว่าจิตตรงนี้รู้แล้วว่าวินัยอะไรที่พระเจ้าทรงกระทำไว้เป็นอเนกชาติจะได้จะต้องเราก็จะทํญญาปฏิกริยาถึงการตอบสนองในปฏิยาที่ท่านสอนถวายให้เป็นทวีคูณหรือที่มากขึ้นโดยที่เรียกว่าตั่นกองไว้ดีแล้วโดยสติและสัมปชัญญะ ไม่ลังเลสงสัยในกิริยาของท่านที่แนะนําและ ส, สอนเราจะได้มีการกระทําแบบศรทัทธาคือมีความเชื่อของจิตเป็นนิสัยมีความเลื่อมใสของจิตเป็นลักษณะต่างๆในการกระทําของท่านที่เรากทํางดูตอนนี้เมื่อจิตได้มีปัญญาเข้าใจถึงกิริยาของพระแล้วความปัจันต์ูจะมีระเบียบ ม, มีวินัย ไม่หลบลูไม่ดูถูกแล้วก็ไม่ได้ือไม่ลั่นในระเบียบวินยัยของตนเองที่ได้แต่งตั้งมาดีแล้วจะได้เป็นเสืเป็นสะพานเป็นแนวทางสําหรับกายและจิตตรงนี้ต่อไปในลักษณะการประพฤติป ฏ, ฏิบัติของเป็นสิ่งที่ทุกคนควรจะเห็นเป็นชอบและประกอบในละดับที่ ให้จิตองเรานั้นมีความเข้าใจถึงจิตของตนด้วยเหตุผลขององค์พระพุทธเผู้เป็นประทานแห่งความดีทั้งหลายเราเองก็นับว่าเป็นบุคคลคนหนึ่งที่กล้ร่วมสู่คำว่าความเป็นมนุษย์และสามารถรักษาความรู้สึกอยู่ได้ธรรมะที่รู้จักทันนี้ถ้าเรารู้จักธรรมะดีแล้วเราก็จะกายเป็นคนดีเพราะเรามีวินัยดีของพระ เข้าสู่ในใสัยกายในสายวาจาและในสายจิต ค, ความปฤติทั้นหลายเป็นสิ่งที่พระพุทจ้า่รงสรรเสริญในบุคคลผู้ทำดีและส่งสรรเสริญในบุคคลผู้ผลกเว้นในบาปกันดับทนึงหลายถ้าเพราะเรานั้นได้ติดตามผมกพระถาดหมดขึ้นคำตุลาที่ก่อนที่วันนี้ที่พระพุทธเจ้าจะจัดมาใส่เหมือนกัน เส้งเรียกว่าวันอุท่า น, านวันนี้แหละแหละเนวันที่พระพุทธเจ้าทรงจากลงไปแสงอาทิตย์ไดดับมุบลงไปตับตะกั่งหลายก็ศกเศร้าและเสียใจและเสียาใและสิ่งที่เรียกว่าแสงอาทิตย์มันดับหมายถึงโอมกับเสดจาอในตอนที่แสงอาทิตย์นี้จะดับ หรือว่าองคุจ้าจะจากาไปคำหนึ่งที่ท่านในทรงสอนทาวายและก็ให้จดจําและติดตามและถือถัดมาท่านยึงบอกกับเราทุกคนว่าเธอท่างหลายจงมีคำเป็นที่ึ่งเกิดอย่ยามีอย่างอื่นเป็นที่ึ่งเลยเพราะว่าอย่างอื่นนั้นไม่เป็นสาระและก็ไม่เป็นประโยชน์และสิ่งวิจิตตรงนี้ที่จะเข้าไปยึดไปถึง ต้นน่ยกับกายกับอารมณ์เป็นต้นกายอารมณ์ ai, ai, on, หรือว่าสิ่งแวดล้อมเราไดนวัตถุสิ่งต่างเหล่านี้ไม่เป็นแก่งสารเพียงแต่วัดไปท่าัแต่ว่าผู้รู้ผู้เข้าใจก็จะนำเอาสิ่งที่มันเป็นแก่นสารนี้เนี่ยขึ้น ม, มาเป็นวิธีการของขาําววัตถุธรรมทีเช่นปัดใจสีบารุงให้เป็นทานบารมี เห็นมาที่ปัญญาบำรุงให้เป็นลักษณะบามีแห่งการกระทำถ้าผู้นั้นมีความเข้าใจถึงสิ่งที่ไม่เป็นแนสตรก็ย่อมเป็นแนสตรได้คือจิตของเราก็เป็นแนสตรขึ้นโดยธรรมะจะไม่มีครว่าหลงขึ้นในครวา ม, มากายกับอารมณ์หรือว่าวัตถุทางๆซึ่งเป็นคำที่เรียกว่าสอนทขไว้หรือว่าจารึกขไว้ควานั้นคำก็มาถึงป่านนี้ก็คือ อย่ามีอย่างอื่นเป็นที่ขึ่งเกิดจงมีธรรมะเป็นที่ขึ่งเถิดแต่นี่ธรรมะนั้นก็คือกิริยาของพระพุทธองคซึ่งเราทุกคนกาลังทำอยู่ซึ่งเราเรียกกันว่าเราปฏิบัติธร้มก็ปฏิบัติตามาเรื่อยๆไม่ใช่เฉพาะว่าปฏิบัติเป็นเพียงช่วงฟัดช่วงูในช่วงขณะเดียวเท่านั้นแต่เราก็ปฏิบัติตามาเรื่อยๆและสถานที่นี้ก็มีการปฏิบัติทำมาถึงยี่สิบกวปี เรื่องบัญชีของพระห้าองค์พระสมณเณรไม่ชีประชาชนก็มีความเข้าใจถึงบัญชีห้าประการนี้ก็มีความยินดีที่จะกระทำสิกไปตามลักษณะของคำ ว, ว่ากิริยาของพระนี่แหละถ้าเรียกว่าเรามีธรรมะเป็นที่ขึ้นสมแล้วที่เราทุกคนเข้าใจและก็มีความยินดีไม่ดู้ไม่ลันในคำสั่งของท่านครั้งสุดท้ายคือวันนี้ พรนั้นคำว่าปฏิสนธิคือวันกระสูนวันตรัสรู้วันนิพพานเป็นวันวันเดียวกันขึ้นมาประจบคทบลอบสึ้นในเช่นกันยุทธภพที่ไม่ได้แต่มาวันนิพพานครัเราก็มีปฏิปริยาคือในด้านของความคิดและก็ปัญญาของตนเองขึ้น่าทําอย่างไรดีจึงจะรวมความสามัคคีเป็นลักษณะอันเดียวันได้เพื่อจะทดแทนหรือว่ากระตันดู หรือว่าทาําความดีตอบสนองขึ้นแะ่เหมนกัว่าพิจารณาตัวเองว่าตั้งแต่วันนี้ต่อไปถึงวันพรุ่งนี้และก็วันต่อๆไปเราจะมีจิตที่เรียกว่ามีความนึกคิดเกี่ยวกับพระองค์งพระผู้เดียวเจ้าเท่นั้นมีความนึกคิดเกี่วกับองค์พระธรรมเท่านั้นมีความนึกคิดเกี่วกับองค์พระสงฆ์พรพุพาทธพระธรรมพระสงฆ์อยู่ในจิต จะกลายสป็นิที่เป็นสาระและก็เป็นประโยชน์ขึ้นถ้าเรานานี้ไม่ลืมคําที่ท่านสอนท่านสัง่งว่ายังมีอย่างอื่นเป็นที่พึ่งเลยเราเห็นแล้วว่าในโลกเราอาศัยมีอะไรบ้างตงัวเป็นกายกายนั้นเกิดขึ้นมาแต่ละกายมีการเวียนว่ายไปตามฐานะกายที่เราพบเจอบนแม้แต่ท่านกายของตนเองก็ก็มีวันเวลาที่จะแก่เจ็บแม้ก็ตายไป นั้มีอะไรเล่าที่จิตตรงนี้จะเข้าไปยึดถือในใจนั้นแล้วก็พบเห็นกันอยู่เช่นนี้ตัวอารมณ์กิจเหมือนกันอารมณ์ที่เกิดแล้เกิดขีดเกิดแล้เกิดขีดไม่ว่าจะเป็นความโลภความโกรธความหลงหรือจะเป็นอารมณ์อะไรอิจฉาอาฆาตชย า, าบาทจองเวรหรือกบเกลื่อนก็ไม่เป็นการสารที่จิตตรงนี้จะเข้าไปยึดถือเพราะอารมณ์เหล่านะั้นไม่ใช่ว่าหมุนเวียนเปลี่ยนมาให้จิตนั้นสร้างกรรม ถ้าจิตรู้เท่าทันก็มีการลดด้าหรือป่อยวางขึ้นถ้าไม่รู้เท่าทันก็อาจจะสร้างกติกากรรมขึ้นเราก็เห็นอยู่ถึงอารมณ์คนสิ่งที่เรียกว่าที่เราเดินไปอยู่ในโลกก็เดินอยู่ด้วเหตุสองประการคือจิตที่ยึดกายกับจิตอารมณ์ไเกิดเป็นท่อบผูกพันและกับบัญคาต่างๆ ม, มากขึ้นมากขึ้นจนจากายเป็นใช้นี่ใช้เวนใช้กรรมไม่ไหวบางครั้งเกิดเป็นมนุษย์ ก็ไม่ใช่ว่าจะมีหน้าที่ใช้กรรมเสมอไปบางครั้งก็เกิดมาในลนักษณะสร้างกรรมเพราะความไม่รู้เป็นต้นเหตุแต่บางครั้งเรารู้ขึ้นมาแล้วก็มีการลดละกรรมต้นเต่แล้วเชื่อหรือว่าเราจะเป็นผู้รู้จักกรรมเสมอไปในเมื่อธรรมเน้นจะเกิดขึ้นหรือไม่เกิดถ้าธรรมเพี้ยงเกิดขึ้นมาจิตตรงนี้อาจมีความเข้าใจเหมือนอย่างโอมพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นมาแล้วทุกคนก็อาจจะมีความเข้าใจขึ้น แต่ถ้าไม่มีพระพุทธเจ้ากเกิดขึ้นมาไม่มีคำเที่ยงเกิดขึ้นมาชี้เรื่องนคำในก็เลื่อนคำเราคิดหรือว่าเราจะรุดเป็นผู้รู้จักกคำเป็นผู้รู้จกักคำทิศเพราะฉะนั้นเป็นโอกาสดีของเราอีกเหมือนกัน <c oughs> ที่ได้มีโอกาสได้เกิดขึ้นมาชาตินี้ได้เท่ากับคำว่าคำเที่ยงคำที่หลีกเลี่ยนเรื่องเวรและกรรมคมเที่ยงนั้นก็เคยคือยาสัากะห้าองค์ ถ้าผู้ใดหมั่นทำหมั่นรงหมั่นประพฤติษปฏิบัติตามผู้นั้นจะได้ชื่อว่าเดินหลีกเลี่ยงกรรมอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าศิริยาของคำเที่ยงนั้นจะเกิดขึ้นเวลาไหนได้ยืนจะเดินจะนั่งสายญาติมัชฌิมา จ, จ, จิตประเภทใดได้ชื่อว่ามีการหลีกเลี่ยงกรรมตลอดเวลานี่เขาเรียกว่าคำเที่ยงถ้าเราเจอคำเที่ยงเขาเรียกว่านักประโชยปีของเราในปัจจุบันนี้เป็นการต่าง แต่ถ้าเราเกิดขึ้นมาแล้วเราไม่พบธรรมที่ยังคือไม่พบสิริยาของพระห้าองค์ไม่มีใครมาสอนมาต่างมาแนะมาดังชีวิตของเราจะเป็นอย่างไรเหมือนกับอาชีวิตของแต่ละบุคคลในขณะที่ยังไม่เข้าสู่คาว่าธรรมที่ยงเราจะใช้ชีวิตประเภทไหนเป็นปัจจัยต่างสาหรับชีวิตหรือกิจของตนเราเราจะใช้กายและก็ใช้อารมณ์เป็นกันถ้าเรียกว่าใช้ธรรมไม่เที่ยง คำไม่เพียงก็แปลว่าคำที่ทําให้เกิดกรรมที่เขารียกว่าใช้นี่ใช้นี่เวนมีการไปตามฐานะบุคคลและกษัตริต่างๆในชีวิตที่เปลี่ยนไปมาตามพและปูนที่ตนเองอยู่และอาศัยมันทั้งเป็นมนุษย์บางครั้งเป็นสัตว์บางครังบบง้งศัตรูโล ก, กเทวอินส่งแม้ แ, แต่ชีวิตนั้นจะเปลีนน่ยนไปนั่นเขาเรียกว่าเกิด ก, การใช้กรรมในคําว่าทําไม่เที่ยงในศิริยาของตอนเองที่ได้ทําซึ่งก็นั่นก็เป็นโชคลายของเราที่เกิดขึ้นมาในคําว่า ไม่พบธรรมกับพระเจ้านอาเขานั้นเมื่อเรามารู้จักคําว่าคำเที่ยงคำที่เหลี่ยงคำว่ากรรมแล้วก็ควรจะมีความเข้าใจที่ทรงสร้างปฏิปัญญาของตอนเองให้เสร็จเป็นแสนสาก็จะให้มีความรู้และก็มีความเข้าใจดูสิพระพุทธเจ้าทรงทำสุญญาธรรมเที่ยงอยู่ในป่าถึงหกปีหรือหกพรรษามีใครบ้างไปเห็นธรรมเที่ยงพพุทธเจา้าไม่มีเลย ไม่มีใครจะเห็นดีเห็นชอบในสริยาของธรรมเที่ยงที่พระเจ้าทรงทำอยู่แต่ท่านเองท่านเป็นผู้รู้ท่านรู้ว่าสิ่งนี้เป็นของดีและก็เป็นธรรมเที่ยงทีากระธรรมของท่านทำทำจนสําเร็จในลักษณะ6ปีแต่ว่าก่อนที่จะถึง6ปีนั้นท่านทําำมาเป็นอนเอนกข้าคือนัดชาติไม่นะเหมือนจะเปล่าทุกคนมีเชื้อสายแห่งการกระทำเที่ยงกันมามาท่านนี้จะมีสริยาของธรรมเที่ยงไว้บ้าง ซึงสนใจในคาว่าสนใจทำสนใจทำสนใจปฏิบัติทมในลักษณะเพื่อจะหนีคาว่ากรรมทั้งหลายก็อาศัยเหตุอาศัยผลของชีวิตที่่ายเก้ามาแต่ละบุคคลก็ในามาประจุกขึ้นในคำว่ารู้จักคำว่าวันนิสาขะซึ่งเป็นวันเอกซึ่งไม่มีใครจะมาเป็นเอกในวันนี้ ถึงแม้ว่าโลกนี้จะย่างก้าวหรือว่ายาวไปแค่ไหนก็ไม่มีใครจะมาเป็นเอกหรือว่าจะถอยหลังไปสู่เมื่อครั้ง 2,534 ก็ไม่มีใครเป็นเอกมีองค์พระสิทธิฐานสัมมาสัพพเจ้าองค์เดียวเท่านั้นที่เป็นเอกคือเป็นวันประสูติวันนี้วันตรัสรู้วันนี้และ ว, วันนี้ผ่านานัเพราะฉะนั้นเรามีความเข้าใจถึงสิ่งนี้ดีจึงได้ทำจัก ร, รและอัญเชลญก็จะบูชาถึงสิ้น โดยปฏิริยาของกายคือปฏิบัติกายให้ดีให้เรียบร้อยสัมโรวมวาจาให้ดีให้เรียบร้อยแล้วก็สัมโรมจิตให้ดีให้เรียบร้อยไปตามลักษณะ ข, ของผู้ที่เรียกว่ารู้จักพระพระแปลว่าสงบสงบมีระเบียบมีวิ น, นัยสิ่งอะไรที่จะเป็นเบญเป็นกรรมพระนั้นไม่จะทําขึสิ่งอะไรที่จะเป็นธรรมพระนั้นก็ทำขึ้นหรือสอนขึ้นหรือว่า น, นำขึ้ ขอให้วันนี้จะเป็นวันที่ทุกคนมีสติและมีปัญญามีความเข้าใจยในคติยาขององค์พระพุทธเจ้าของเราจรึงบอกว่าขอให้พระพุทธเจ้านั้นอยู่ในจิตขอให้พระธรรมนั้นอยู่ในจิตแล้วขอให้พระสงฆ์นั้นอยู่ในจิตในจิตนั้นก็คือปัญญาเมื่อจิตนั้นมีปัญญาและคติยาของกายก็จะได้เป็นพุทธแปลว่ารู้จักสิ่งที่กายทําวาจาก็เป็นพุทธ พูดในสิ่งที่วาจารู้จักพูดหรือว่ารู้จักทำพูดถ้าอาศัยเหตุคือจิตของตนเองนั่นเองเป็นผู้ที่เรียกว่ามีปัญญาเราก็อาศัยกัญญาของพระเป็นผู้สื่อหรือว่าเป็นสื่อในลักษณะของปัญญาเป็นรักคำแนะนําสั่งสอนไปเพื่อการช่วยเหลือตนเองเป็นอัจจายิกัตโนานาโศเราทุกคนต้องเข้าใจเป็นคำนี้ว่าไม่มีใครนี้จะช่วยเราได้จิตใครจิตมัน ต่างคนตังจุดติปฏิสนธิกันมาไม่มีใครจะเกิดใส่เลยไล่ส่งให้จิตนี้มาเกิดหรือว่าจิตนั้นมีกรรมหรือว่าจิตนั้นมีธรรมแต่อาศัยที่เรียกว่าเข้าไปพบไปเห็นก็นมีความเข้าใจก็จะต้องทขึ้นในเรื่องของธรร ม, มะบ้างความไม่เข้าใจลังเลสงสัยที่มีการสร้างเงื่อนขั้นต่างๆเป็นเรื่องราวของเราที่จะต้องจะทำขึ้นหรือว่าจะต้องศึกษาและพิจารณาขึ้นใเนเรื่องขอความเข้าใจ นี่แหละขอให้เรามีความเข้าใจถึงธร ว, ว่วันวิสาคา่ะว่ามีประโยชน์ยังไงสําหรับชีวิตของเราหรือว่าองค์พระพุทธเจ้านั้นมีความสําคัญอย่างไรในชีวิตหรือติดคนตนเองหรือว่าจะเห็นว่าองค์พระพุทธเจ้านั้นไม่สําคัญสมัยนี้คนเห็นตะกุตก็ทำประสงค์ไม่สําคัญจะมีการสร้งางเลยนักกรรมกันมากขึ้นการเดือดร้อนมากขึ้นถ้าความสงบไม่มีความเพลงใจไม่มีที่ดโอตับปะไม่มีจึงเกิดเป็นลักษณะท้ายอารมณ์และกระตุ้นกระทำขึ้นซึ่งเราเรียกว่าความเบียดเบียน อันนั้นเราต้องจำเขาว่าธรรมะคือรรรรความสงบธรรมะคือการไม่เบียดเบียนเหมือนอย่างพระอาจารทรงสอนขึ้นหรือว่าทรงให้วาจาเป็นครั้งสุดท้ายว่าเพื่อทั้งหลายจะมีธรรมเป็นที่พึ่งเถิดแต่มีอย่างอื่นเป็นที่พึ่งเถิดคำนี้เอาไปคิดเอาไปพิจรารณาแล้วก็เอานําไปใช้จะได้เกิดเป็นประโยชน์ขึ้นแล้วต่อไปนี้นะเราจะใช้ปฏิกริยาในลักษณะยืนขึ้น หรือเรานั่งขรรถตอนนี้เราจะยืนยืนทำสมาธิชั่วขณะก่อนจะถึงเวลาเปลี่ยนเกตุสุดท่านพระให้เมชีและญาติโยมก็เยืนขึ้นทัหมดยืนที่เสื่อไทยเสื่อมาเอันนี้เป็นวันที่เราเก็บการกรทันตันเต็มที่เลยตั้งแต่เช้าเห็นตาเห็นเมชีญาติโยมมีการเดินจนกงกรมนั่งสมาธิกันทั้งวันโยมเขามีความ เข้าใจดีเขาเข้มาร่วงล่วงความดีกับพระไม่ทีสถานที่นี้ดึงขึ้นให้หมดหรือให้ตร ง, ง, ง, งตรงความทิศนตะท้องหลัให้ตรงตรงแล้วก็เอามือท้างหลังลทำสมาธิเลยหลับตานิ่งเนงพุทโธอยู่ในใจพุทแปลว่ารู้โธแปลว่าสงบพุทโธอยู่ในใจ ก็จะได้รู้ว่าพระพุทธเจ้านั้นมีความสุขอย่างไรทำไมพระพุทธเจ้าไม่วุ่นวายแล้วก็ไม่เดือดร้อนเหมือนเราเพราะท่านมีพุโทโธอยู่ในใจคือมีความรู้อย่างหนึ่งแล้วก็มีความสงบอย่างหนึ่งอยู่ในใจของท่านะะเมื่อคนเรามีความรู้แล้วก็ความสงบอ ย, อยู่ในใจแล้วอะไรแล้วจะทำให้วุ่นวายขึ้นในใจของพุณนั้นไม่มีหรับไม่มีความวุ่นวายอยู่ในความรู้และก็ความสงบงของผดตรงนั้น ลองชิมรสทรรมขององค์พระผู้เป็นเจ้าอยู่ความสาบนั่นคือความรู้เป็นสิ่งที่จิตต้องการแล่นคเรียดร้อนปกติและจิตเรานี้ไม่ต้องการคำว่าความเดือดร้อนคือไม่ต้องการอยากมีกรรมไม่ต้องการอยากมีทุกข์แต่ถ้าอะไรปกปิดทำให้เกิดเป็ น, น, นกรรมแล่คความทุกข์ก็คือความไม่รู้ ความไม่รู้จึงนํามาเช่นความวุ่นวายและก็ความเดือดร้อนเพราะฉนั้นเราจงเปิดเผยจิตของเราขึ้นมาให้เป็นลักษณะผู้รู้และก็ผู้สงบรักษาความสงบง่ายนิดเดียวไม่ต้องไปรักษาคนอื่นเหมือนอย่างพระเจ้าทรงสอนว่าความสงบนั้นไม่จําเป็นจะให้คนอื่นนะมารักษาหรือามาทําให้ทำตัวของเรานี่แหนะละรักษาความสงบสามประการเท่านั้น ขึ้นหนึ่งรักษากายด้วยความรู้รักษาวาจาด้วยความรู้รักษาจิตด้วยความรู้ความรู้ของพระธรรมความรู้ของพระพุทธและก็ความรู้ของพระสงฆ์เราเรียกกันว่าความรู้แห่งองค์รัตนะไัยรักษากายรักษาวาจารักษาจิตสารเจ้า ก, การทนั้นเราก็จะรอดตัวไม่มีใครก็จะรักษาให้เราเลยแม้แต่อุจจารก็รักษาให้เราไม่ได้ เพราะว่าสิ่งนี้ไม่ใช่เกิดขึ้จนจากคนอื่นรักษาไงต่อไปนี้เราจะต้องเป็นผู้รักษาตัวเองรักษาให้ปลอดภัยจากคำวมาเวรและกรรมขอาันที่บอกว่าอย่าท้าเวรอย่าท้ากรรมเกิดเป็นคนรู้จักกรรมแล้วก็อย่าท้ากรรมเกิดเป็นคนรู้จักธรรมแล้วก็อย่าทิ้งธรรมเมื่อเราเข้าใจถึงสิ่งนี้แล้วก็ไม่ยากเลยที่จะรักษาตัวเองและเร า, เาไม่ต้องไปรักษามันมาก รักษาเพียงวันหนึ่งและคืนหนึ่งท่านั้ช้าถึงกลางคืนกัางคืนถึงเช้ายี่สิบสี่ชั่วโมงรักษาตนเองให้เกิดเป็นความรู้และความสงบขวัญอย่าวุ่นวายกับอารมณ์และกอย่าไปใช้อารมณ์ในลักษณะ ข, ข, ของตัวกับใครมันจะเกิดเป็นลักษณะความประวนกระวายกระตับกระใจและความไม่รู้ทำ ม, มาเพื่งความเดือดร้อนความปวนกวาย จะเอาตัวรอดจากเวรจากการรมจนนำเรื่องอย่างของท่านไปนใช้อย่างถ้าเลือกว่าแต่งสามของธรรมะก็คือการเจริญถึงสมานที่ปัญญารักษาตัวเองไม่จาเป็นหรวงไม่จำเป็นกังวลไม่ต้องวิตกวิตใจรเรื่องของผู้อื่นถึงหน้าจะพักแห่งองค์นักธรรแล้วท่านจะสอนให้เรารู้จักตัวเองขึ้นและกรักษาตัวเองกรรมไม่อยู่ที่ตัวเราทำก็อยู่ที่ตัวเรา เราจะสร้างคำนั่นก็ตัวเรานี่แหละเป็นคนสร้างเราจะสร้างคำตัวเรานี่แหละเป็นคนสร้างไม่ใช่รับคนข้างเกีงนั้นสร้างคำแล้วก็สร้างคำให้ให้หลับพักใจถึงสิ่งนี้โดยที่พระเจ้าทรงรักษาป ร, ริยาใจบรรจาิตถึงหปีได้ บ, บรบรลุอนุตตรสัมมาสัมพุทธญาณนม่นเป็นชาติสุดท้ายของพระพุทธองค์แต่ว่าอเนนชาตินั้นพระพุทธองค์ทรงรักษาตลอด เราก็เข้าใจถึงอเนคชาหรือ ว, ว่าปัญญาของท่านเราก็นํามาใช้ขึ้นท่านที่บอกว่าตาท่านมีสีเหาคือจิตของท่านี่จะมาถึงเรื่องราว เ, เกิดแก่เส็บตายสัมวิหันสีเป็นใสรู้สึกั้นมีดายเดียวคือมีสัพพุทธธรรมประสงค์ภายในไม่จะหมาดในกายที่อาศัยไม่จะมาดในอารมณ์ที่เกิดขึ้นมีความรู้ความเข้าใจถึงสัพพทุทธธรรมและก็ประสงค์ภายในจินตมิตร จึงเกิดบุญบารมีมาเลื่อยๆถึงวันนี้เป็นวันสุดท้ายที่เรียกว่าเป็นวันซึ่งสุด ข, ของชีวิตเหนื่อยเมื่ อ, อล้ามาเป็นอันดีกัชาติกว่าจิตตรงนี้จะหลุดลอยออกจากครว่าสามโลกจักรวาลไปได้เราเองก็เข้าใจถึงสิ่งนี้ดีถึงความเพียรความพยายามของท่านก็อาศัยความเพียรของท่านมาใช้ในความเพียรของตนเอง อาศัยความขันติอดทนของท่านมันใช้ในความขันติอดทนของตนเองอาศัยสติปัญญาของท่านมาเป็นใลักษณะสติปัญญาของตนเองเพื่อประทองกายประทองวาจาและก็ประทองจิตให้เป็นมนุษย์ที่ดีถ้าจะเป็นนักบวชก็เป็นนักบวชที่ดีเป็นอุบาสกบาติกาก็เป็นอุบาสกิก